วันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่เป็นวันที่22ธันวาคม2531ที่บอกไว้ก็พื่จะได้ทราบพ่าบันทึกเมื่อไรสำหรับตอนที่แล้วมาไปยับยังอยู่แค่สวรรค์ชั้นดาวดิงเพื่ได้พูดกันถึงอนิสงส์แห่งการสร้างสรรค ในการสร้างชอบฟางคนนาวสุธรรมานรวม ค, ความว่าบรรดาผู้ชายอกสามศอกที่คิดว่าจะจะหลายกับผู้หญิงนั้นไม่แน่นอนนักในเรื่องนี้ปรากฏว่าผู้หญิงจะหลายกับผู้ชายแต่ว่าตอนที่พูดไปนั้นข้ามไปตอนหนึ่งนั่นคืออันิส์งคืการสร้างสะปกรณีที่บ่อน้ำ เป็นอันว่าเมื่อท่านสามสามคนช่วยกันขุดสระน้ำและขุดบ่อน้ำได้น้ำใสสะอาดและเป็นที่กินที่อาบที่ล้างหน้าของท่านผู้เดินทางสร้างความสุขสบายให้เกิดขึ้นตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีพัญญาคนที่สองของท่านมาขมานลบ คนนี้ไม่ทําเกี่ยวกับสลายมีความรู้สึกว่าเวลานี้สามีกับเพื่อนทําบุญทำกุศลท่า้างทางไปสวรรค์แต่ว่าไม่ชวนผู้หญิงร่วมด้วยเห็นแยกเข็ดผู้หญิงแต่การเข็ดผู้หญิงไม่เข็ดเป็นเรื่องของท่านเราในฐานะเป็นหน้าที่ของบัญญา เมื่อสามีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีดีเราก็ต้องดีด้วยเมื่อสามีรวยเราก็รวยด้วยเมื่อสามีจะไปสวรรค์เราก็ต้องไปด้วยเราจะไปอยู่กับท่านได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องขณะ ว, วันนี้ทำก่อนเอ็นอเบนว่าท่านสุนันทานี่ตามประวัติไม่มีปากไม่มีเสียง ปากมีเสียงมีแต่ก็ไม่พูดภาษา ม, มีลำคาญถ้าเยาว่ากัไปทีพัญญาทั้งสามคือท่านสุธรรมาท่านสุนันทาท่านสุจิตราสามท่านเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหญิงที่มีความสงบงเสงี่ยมมากแต่ว่าท่านสุชาดามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นญาติของท่านขับสา ม, มีคือมาคมานพ ถ้ามีความรู้สึกว่าตนเป็นคนสวยก็คงจะหยิงในความสวยในเมื่อถือตัวว่าเป็นญาติด้วยถือตน ว, ว่าเป็นคนสวยมากกว่าเขาด้วยก็คงจะมีลีลาทำให้สามีรำคาญถ้าพิจารณาตามเรื่องแล้วที่ท่านมาเขมานบรําคาญสตรีเพื่อสตรีก็คงจะเป็นท่านสูชาดาเป็นเหตุ ฉนันท่านสุชาดานคนนี้ไม่ปรารบเรื่องบุญเรื่องกุศลใดๆทั้งหมดต้องการอย่างเดียวแต่งตัวสวยสดงดงามหวังจะบำรุงบำงเรือสามมีด้่ยการมารมและวก็ดูผลข้างหน้าต่อไปอย่าเพิ่งไปนินทาท่านทั้งหมดนี้ท่านปานิพพานหมดแล้วนี่เราพูดกันทั้งตอนต้น รวมความว่าเมื่อท่านท่านสุนันทาท่านเห็นว่าสามีขุดสระน้ําเป็นที่กินที่อาบเป็นที่เล่นของคนผู้เดินทางมีความสุขท่านก็มาเริ่มพึงว่าการมีต้นไม้พักผ่อนมีความสุขร่มเย็นก็ดีมีแท่นนั่งก็ดีมีศาลาพักก็ดี แต่ก็ยังขาดดีดีหนึ่งนั่นคือความอิ่มถ้าอิ่มด้วยก็จะดีมากฉะนั้นท่านสุนันทาจึงสั่งให้คนสร้างสวนจ้างเข้ามาสร้างสวนเอาสวนผลไม้ผลไม้ทุกประเภทที่คนนิยมเวลานั้นมาปลูกข้างๆสะทั้งหมดเป็นสวนใหญ่มาก แล้วก็บรุลงรักษาอย่างดีตั้งคนตั้งเวรักษาไว้เพื่อผลประโยชน์คือคนเดินทางไปมาเมื่อได้พักผ่อนแล้วก็ได้กินผลไม้บนน้ำผลไม้มีความอิมอ่มอิม่มน้ำสํำราญบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ไม่ดีเสียงแห้งมาตั้งแต่เช้าวันนี้จะไปได้ทั้งไหนก็ไม่ทราบ <c oughs> แล้วพูดก็กลัวกันปากไม่ดี <c oughs> เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผลประโยชน์ก็เป็นไปตามนั้นคือว่าท่านสุนันทาไม่เคยเก็บเงินไม่เคยเก็บทองปล่อยเป็นสวนสาธารณะก็เป็นที่ชอบใจของคนเดินทางคนเดินทางที่มาพักบริโภคเองบ้างและสําสหรับคนนี้ต้องมีการแถมนั่นก็คือแถมว่าก่อนที่จะกลับ ก็คิดถึงสา ม, มีที่บ้านบ้างคิดถึงพัญยาที่บ้านบ้างคิดถึงลูกบ้างคิดถึงหลานบ้างคิดถึงคนรักบ้างก็เก็บผลไม้ที่ตนชอบใจที่ว่าดีที่สุดไปฝากไปฝัง ก, กันท่านสุนันทายก็ทราบเหตุนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่หวานถือว่าทําเป็นทานอะไรก็ตามถ้าเป็นความสุขของบุคคลผู้รับก็มีความพอใจ นี่อานิสงส์ที่นั่นท่านสุทันนันทายจเจริได้คือเมื่อท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลก <c oughs> มีวิมานสวยสดงดงามเป็นที่อยู่นีเพราะผลแห่งการสร้างสวนสร้างสวนผลไม้นี่ก็มีวิมานเหมือนกัน ดังนั้นบรรดาท่านพูบริษัททุกท่านที่นำต้นไม้มีผลก็ดีนำต้นไม้ที่ไม่มีผลก็ดีห้ปลูกเป็นสาธารณประโยชน์ในที่ต่างๆก็ดีในวัดก็ตามอันนี้สงฆ์ของท่านคือก็คือจะมีวิมาบนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติบโลกตัวอย่างท่านสุนันทา สำหรับท่านสุนันทานอกจะมีวิมานเป็นที่ชอบใจขอตนได้ชอบใจกขาพวกคนอื่นแล้ววิมานสวยมากใหญ่โตมากนอกจากนั้นผลที่สร้างสวนสุนันทาก็มีสวนสุนันทาปรากฏขึ้นบนสวรรค์เช่นดาวดึงสติวโลก <c oughs> ใกล้ๆกับซา ป, ปุคณีเขาท่านมาขมานลบกับเพื่อน ท่านมาเข้ามานกกับเพื่อนสร้างสระเป็นเหตุที่ได้สระปกนีบุนสวรรค์ชั้นเดาวถึงสติวโลกเป็นที่เล่นเป็นที่สําราญของบรรดาเทวดาและนางฟ้าทั้งหลายนอกจากนั้นสวนสนันทาที่ปรากฏว่ามีผลไม้คลิปทุกอย่างตามที่เทวดาและพรหมทั้ทงหลายหรือว่าบรรดาคนทัน้งหลายคนทันทั้งหลายต้องการ มีทุกอย่างแล้วก็มีความสวยสดทุงงามเป็นพิเศษส่วนนี้ไปที่หน้ารื่นรมข้าพระพุทาเจ้าทางฟ้าทั้งหมดปรากฏว่าเทวดาและนางฟ้าชอบไปไปบันเทิงมีความสุขมีความไปรื่นเริงกันแนะไปเที่ยวไปเที่ยวสวนพุทธันทารกันเป็นปกติมีความสุขมากเมื่อไปเที่ยวแล้วก็อาบน้ําในสระโบกณีพื้ที่ชอบใจ บางครั้งเทา่าสกกะคือพระอินทก็แกมาขมาน์ก็พาบริวารของท่านไปเที่ยวสวนสุนันทาเหมือนกันเป็นว่าสว น, นสุนนสวสุันทาบนสวรรค์เช้นดาวเรือ์สุติวโลกก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเทวดานางฟ้าทั้งหลายเป็นแดนแห่งความสุขนี่แหละบรรดาท่ทนพุทธัิสัตถ์ทำอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สร้างวิหารานัน ไม่ได้สร้างโบสถ์ไม่ได้สร้างวิหารกา ร, รเรียนแต่ว่าทำสวนผลไม้ให้บุคคลทั้งหลายได้กินได้บริโภคมีความสุขเป็นสวนสนาธารณะเราก็มีวิมานเหมือนกันส่วนที่แยแถมให้ก็คือว่าเกิดขึ้นไปเทวดาเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าก็จะมีสวนทิพย์เป็นที่เรื่องเริงใจอย่างกับสวนสนันทา เป็นอันว่าท่านสุนันทาพัญญาคนที่สองก็มีสิทธิไปสวรรค์เช่นดาวดิงสัตวโลกต่อมาท่านสุจิตราท่านสุจิตรานี้เป็นพัญญาคนที่สามท่านสุจิตราก็มานั่งนึกในใจว่าท่านมาขมานพึ่งเป็นสามีสร้างเช่นลา ลูกต้นไม้สร้างแท่นหินกุศะทำแล้วแล้วก็เป็นบุญสาธารณประโยชน์ท่านท่านผุธรำมาก็มีความฉลาดสร้างข้าฟ้าสวมเหมาสลาหลังนั้นทั้งหมดเป็นของพุธทรมาแต่ผู้เดียวแต่นิสงได้ทุกคนต่นี้รเรื่องกันมีเขียนชื่อกัไม่กัน เขียนชื่อที่สลาที่โกตีที่โบทิวิาหารบางทีบางวัดถึงกับใครออกเงินมากต้งเขียนชื่อคนนั้นเขียนนาสกุลคนนั้นบางท่านที่ออกเงิน น, น้อยน้อยไม่มีชื่อก็อาจจะโกรธทั้งนี้บรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าจงอย่าโกรธเขาชื่อในเมืองมนุษย์จะเป็นชื่อเขาใครก็ตาม แต่ว่าอา น, นิสงส์ทุกท่านย่อมได้เหมือนกันตัวอย่างท่านมาขมานบสร้างสลาหลังเดียวสามสิบสามคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาหมดทั้งสามสิบสามคนมีวิมานคนละหลังทั้งทั้งที่สลาหลังนั้นชื่อสามสิบสามคนไม่มีเลยเป็นชื่อของท่านสุธรรมมาคนเดียว ผู้ที่ร่วมสร้างคือช่างก็ไปเกิดเป็นเทวดามีนามว่าเอราวัณเทพประมุตมีวิมานแผ่นหนึ่งหลังไม่กันไม่ต้องรวมกับใครท่านวัตกีคือนายช่างก็ไปเกิดเป็นวิศนุกรรมเทพบระมุตมีวิมานหนึ่งหลังไม่กันนี่รวมความว่ชื่อของท่านสุธรรมมาชื่อเดียวแต่วิมานได้ดจริงๆสิบห้าหลัง ต่อมาท่านสุธรมายเองไม่ไปเกิดเป็นนางฟ้าก็ปรากฏว่ามีวิมานอีกหนึ่งหลังเจ้าของชื่อเจ้าของช่อฟ้าก็มีวิมานหนึ่งหลังไม่กันฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านและลูกหลานทุกคนที่สร้างแล้วทําแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อก็อย่าไปสนใจเรื่องชื่อสนใจเรื่องศรัทธาเป็นสำคัญ ศรัทธาเรามีแล้วเราบริจักแล้วเราทําแล้วอย่างนี้อริสงใคะว่ายังไงก็ตามอริสงจะได้กับเราอยู่เสมอเกรงความว่าท่านสุจิตราก็คิดคิดว่าเมื่อท่านสุธรรมามีชอบฟ้าสวมไปกับสามีได้เมื่อท่านสุนันทามีสวนผลไม้ก็ไปกับสามีได้ร่วมกับสามี ทั้งทั้งที่ไม่ต้องขออนุญาตที่หาเองเวลานั้นที่มากกว่าต้องซื้อไปที่ป่าจาัดสรรที่เองไม่ต้องขออนุญาตสามีก็ทำสวนท่านสุจิตราก็คิดว่าอีกแถบหนึ่งของสระมันยังไม่มีสวนแต่คนเรามาได้พักผ่อนสบายอาบน้ํามีความสุขเดินเล่นในสวน แสดงว่าถ้าได้ทัดทรงดอกไม้และดมดอกไม้หอมๆเอาดอกไม้ไปนั่งดูบ้างทัดทรงม้าติดหน้าบ้างติดอกบ้างอย่างนี้ความสุขจะเพิ่มพูนขึ้นเพราะเครื่องประดับยิ่งได้สั่งสร้างทำสวนเขึ้นสวนหนึ่งเป็นสวนดอกไม้โดยเฉพาะจัดสรรดอกไม้ที่ดีแสนดีเท่มที่มีในเวลานั้น รื่งความว่าจัดไม้ดอกไม้ทุกประเภทเพาคนเราไม่แน่นอนนักคนนั้นชอบอย่างนี้คนนี้ชอบอย่างนั้นมีไว้ให้ทุกอย่างเมื่อดอกไม้งามสะพรั่งออกครบก็ไปที่สิ้นใจของคนมานั่งปุ๊บเห็นปั๊บชื่นใจแล้วต่อมาก็อาบน้าออกท่ามีความสบายพักผ่อนแล้วลุกก็เดินไปเก็บผลไม้กินมีความสุข <c oughs> เมื่อท่านสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ขึ้นเป็นที่รื่นรมของคนอันนี้สงที่ท่านจะพึงได้คือว่าตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์เช่นเดาดึงสัตวโลกเหมือนกันอันนี้สงที่สร้างสวนดอกไม้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วิมานหนึ่งหลังสวยสดงดงามเหมือนกันใหญ่โตน่าอยู่ไม่แพ้ปัญญาทั้งสอง <c oughs> ถ้านอกจากนั้นก็มีสวน ส, สุจิตราเกิดขึ้นเป็นสวนสวรรค์ข้างๆสาบุครณีเป็นที่ยินดีเป็นที่ชอบใจพระเทวดาและนางฟ้าทั้งหมดสวนนี้ปรากฏว่าจะมีนางฟ้าบํารุงทั้งสองสวนนี้นะสวนพุ น, นันทาก็ดีสวนพิจิตราก็ดีจะมีควาบนางฟ้าบํารงเป็นปกติ สำหรับนางฟ้าที่บำรงสวนบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านบางคนคิดว่าเราปลูกต้นไม้ในวัดแล้วก็เราปลูกต้นไม้ดอกในวัดต้นไม้มีผลกินในวัดหรือในที่สาธารณะแต่ว่าที่สาธารณะกับที่วัดนี่ไม่ได้สงต่างกันเพราะวัดเป็นเขตของสองเป็นเขตในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธเขต เป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรม <c oughs> ก็ว่าท่านสร้างให้เป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลทรงธรรมแต่ผู้อยู่จะทรงศีลทรงธรรมตามที่จะไม่นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่จริงๆและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอุทิศตรงเพื่อพระพุทธศาสนาจริงจัดว่าเป็นของสงศ์โดยตรงเป็นของพระพุทธศาสนาโดยตรง การไปซ่อมแซมวัดก็ดีบำรุงวัดก็ดีสร้างวัก็ดีสร้างสวนผลไม้ในวัดก็ดีสร้างสวนดอกไม้ในวัดก็ดีก็ชื่อเป็นผู้มีส่วนบำรุงพิหารธานมที่ว่าร่วมในการสร้างวิหารธรรมให้ร่วมกันกุฏิวิหารเป็นที่อยู่มีความสุขสวนดอกไม้ทำอิ่มน้ำสำราญมีความสุขเป็นส่วนหนึ่งของวิหารธราน ดอกไม้สร้างความชื่นใจเกิดขึ้นมีความสุขเป็นของเรื่องที่อกกันฉะ <c oughs> นั้นอานิสงส์ในการสร้างในเขตวัดก็เหมือนกับพันอินากรรมถาวายทานแด่พระสงค์ในพระพุทธศาสนาอา น, นิสงส์มากอย่างนั้นสำหรับสวนส า, าธา ร, รณะธรรดาท่านพุทธบริษัทใครก็ได้คนมีสินมีธรรมใช้ก็ได้ คนมีศีลมีธรรมดีมั่งก็พร่องก็แพ่งมั่งใช้ก็ได้คนไร้ศีลไร้ธรรมใช้ก็ได้ฉะนั้นอดิสงค์จึงไม่เหมือนกันอดิสง์ที่จะพึงได้ก็คือเหมือนอังกุะเทพบุตรแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าเลือกเฉพาะผลใหญ่อย่างเดียวจงเลือกทั้งผลเล็กและผลใหญ่ซึ่งใดใกล้มือคว้าไว้ก่อน แห้ไม้ความว่าท่าสวนสาธารณะเขามีขึ้นเขาต้องการต้นไม้เขาต้องการดอกไม้เราก็ไปร่วมกับเขาอย่าลืมว่าข้าวแต่ละจานย่อมมีค่าข้าวหนึ่งกระมังใหญ่ก็มีค่าแตะว่าข้าวแต่ละจานจานไม่จะน้อยกระมังแต่หลายๆจานข้าวก็สามารถเต็มกระมังได้ชั้นใดบุญกุศลที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้ดดทททงหลาย ทำบุญกับสวนสาธารณะหรือที่สาธารประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเขตสงฆ์แต่ว่ามีโอกาสทําบ่อยๆก็ชื่อว่าจะเป็นการสั่งสมบุญให้เต็มที่ได้เหมือนกันอย่างที่พระเจ้าทรงตัดว่านำ้ำฝนตกที่ระยัดระยา <c oughs> สามารถทําพัะจนะให้เต็มได้ชั้นใดบุญกุศลที่จะทําแล้วไซแม่จะครั้งละน้อยจะน้อยแต่ว่าทํำบ่อย ก็สามารถจะทำให้บุญบารมีของเราเต็มบริบูรณ์ได้ฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าเลือกเฉพาะที่สงอย่างเดียวส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่จำกัดไม่ความเป็นสาธารณะให้ทำด้วยน้อยก็เอามากก็เอาอย่างนี้เราจะไม่เสียทีในการเกิด เพราะว่าตำวัดวาต่งต า, างๆก็ไม่แน่นักนานๆถ้าจะปลูกต้นไม้สักทีอาจจะมีหลายๆวัดต้นไม้เขาทานเต็มแล้วไปปลูกก็ไม่มีที่ปลูกฉะนั้นถ้าถ้าวซีที่สาสนะมีที่ไหนเขาวชวนที่ไหนไปที่นั่นมันก็เป็นปันจจัยของความสุขนอกจากความสวยสดงามเราให้ความสุขกับคนที่เห็นคนที่ได้ใช้ได้ดมได้กินผลอย่างนี้ถือเป็นทาน ก็เสียงมันคิคิดจะเป๋ๆไปแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้คอไม่ดีแต่เช้าเพราะว่าต่อไปมีเวลาสัก6กนาทีก็ขอพูดพัญญาคนที่สี่คือนางสุชาดานางสุชาดาได้ไม่เอาเรื่องบุญถือว่าเรามีผัวต้องการความเป็นผัว เราจวนเมียต้องบำรุ ง, งผัวให้มีความสุขในด้านกามารม์แต่งตัวสวยๆสร้างความให้สุขจิตให้เกิดกับผัวเวลากลับมาบ้านแต่คนที่มีอารมณ์อย่างนี้ก็จะมีอารมณ์อิจฉาที่เสียคนอื่นไม่ได้เป็นของธรรมดาอาจจะค้อนอาจจะแคะอาจจะแง่อาจจะสร้างความรังคันให้อีกค่ายหนึ่งก็เข้าใจว่าตัวสวย ความจริงความสวยสดงามของร่างกายที่มันไม่ทนและก็มันไม่แท้เพราะร่างกายมีส่วนของความสกรปรกผิวพรร์ที่คิดว่าสวยมันก็สวยไม่จริงมันดีประเดี๋ยวเดียวมันก็สกรปกสกรปกโสโครกส่วนภายในร่างกายทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดมีแต่สี่งสกรปกสกรปกโสโครกถ้าร่างกายก็เหลาเ ย, ยือแก่เห่วลไปทุกวันทุกวัน ความเบื่อหน่ายของร่างกายก็ย่อมมีนี่เถึงเหตุชนีดกำมั้งที่มาเขามานพยังมีความเบื่อหน่ายในสตรีคิดว่าชาติหน้ามาต้องการจะครบเมื่อนางสุชาดามีความประมาทอย่างนั้นเจริญนวันดาเจ้าพระพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามัจจุโนโอ ป, ะ, ปะมาโทูมัจจุโนประทงังความประมาทเป็นทางของความตาย นาสุชาดานี่ประมาทมากความสวยช่วยคนไม่ได้หลงความสวยมากเท่าไรมีทุกข์มากเท่านั้นหลงความหลงความสวยมากเท่าไรก็มีความเล่าร้อนมากเท่านั้นขั้นสุดท้ายปลายหลังจะมีรมเต็มเลยความทุกข์เพราะความสวยมันลดตัวไป <c oughs> เมื่อเธอประมาทตายจากความเป็นคน ก็ไม่ได้เป็นนางฟ้ากับเขาไปเกิดเป็นลูกแช่างหมอท่านมาก็มานกกับห ร, หรือว่าพระอินท่านกับพิจารณาว่าเมียสามเมียตามมาแล้วแต่น้องแก้วสุชาดาหายไปไหนท่านก็ใช้กำลังการใจที่เป็นทิพย์สอดสส่หาไปก็บพบว่าปรากฏว่านางสุชาดาไปเคยเปน็นนกยาง ไปเกิดเปน็นนกยางไปย่องน้ำตกแตกตกแตกน้ำตื้นๆหนาปลากินท่านพระอิง์ก็ไปทรมานให้นกยางรู้จักรักษาสินห้ามแสดงองค์ให้ทราบว่าฉันคือพระอิงร์หรือว่ามาคมานกเป็นสามีของเธอในชาติก่อนเวลานี้สามพัญญาเพื่อฝี่คนด้กันเป็นพัญญาฉันก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว แต่น้องแก้วก็มีความสวยสดงานเป็นนกยางขาวสวยมากแต่ไม่ไหวมาหากินแบบนี้มันเป็นบาปสอนให้นางนกยางรู้จักทศกกชินห้าไม่ทาปานาติบาศ <c oughs> นางนกยางก็เชื่อหาอาหารมันยากเมื่อหาอาหารไม่ได้ตามต้องการร่างกายก็พร้อมลงพร้อมลงพร้อมลง คนที่สุดก็ดตายในฐานะที่เป็นนกปีสินก็ไปเกิดเป็นลูกสาวในช่างหมอเป็นข้วดีมีคนร่ำรวยในที่สุดไปอินทั้งไ ป, แ ป, ง แ, ปงแปลงตัวไปเอาเอาทองท่าหฟักหนักเท่าตัวคนไปถามว่าใครรู้จักสินห้าบางังเป็นอันว่าคนทั้งหมดในแถวนั้นตะบนนั้นเมืองนั้นทั้งเมืองไม่มีใครรู้จักสินห้า แต่วรุาษาในช่างมออาศัยที่เคยมีสินห้าเป็นแต่ลกยางอารมณ์เดิมปรายกฏยังจำได้นึกออกนิบารมีปฏิตตามผลสุก็ตอบว่าฉันรักษาดูจากสินห้าและกำลังรักษาสินห้าอยู่ท่านมากขมานพจึงให้สมตูมารับทองคําถ้าลูกฟักหนักเท่าตัวคน เอาไปไว้กินไมว้ใช้บอกว่าจะได้เป็นสมบัติเรื่องเรื่องตัวต่อไปจนยักษ์สาวสินย้ห้ขาดและก็แสดงตัวว่าฉันคือพระอินทร์เคยเป็นสาวมีของเธอในการก่อนให้ตั้งใจทําบุญเจ้าสนพระจะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกันเมื่อลูกสาวในทั้งหม่อตายใจชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นลูกอสูรลูกอสูรนี้เดิมอสูรพวกนี้เดิมทีเดียวอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดึสเทวโลก ต่อมาเมื่อเทวดาไปอยู่ใหม่มีบารมีสู้ไม่ได้ก็ลงต่ําลงมาหน่อยในเมื่อไปอยู่ในเขตอาสน์ก็ไม่สามารถจับคบกันได้อีกพระอิงก็ต้องแปลงเป็นอาสน์แก่ในขณะที่เท่าอาสน์ผู้เป็นพ่อประกาศหาสามีให้กถูกสาวให้ถูกสาวเลือกสามีก็เป็นอันว่าเธอเลือกใครก็ดูแล้วแสนแล้วก็ไม่ชอบใจ มาเจออาสน์แก่ซึ่งเป็นคู่เก่าคือพระอินเขาแล้วใช้กระชอบโยนพมรมอะไรให้เมื่อพระอินรับพมรมอะไรแล้วก็คว้าคอมือขึ้นรถขับหนีทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าอาสน์จะรู้เข้าเพราะมันเขย่าต ก, กันบรนดาอาสน์นั้นหลายแล้วนั้นแปลกใจและปราบต่างพากันโกรธแต่โกรธพอแยงเข้าเขตชิมพีก็ถูกครุฑต่อต้านไม่สามารถจะมาได้ ในที่สุดจะอินทั้งาพรสุชาดามาไว้ในเวชจันทร์ทวิมานเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาอย่างนี้ก็จําก็คิดตามก็แล้วกันว่าทําแบบไหนมันดีทําแบบไหนไม่ดีไอแบบอดตัวหลงตัวสวยแบบนี้เกิดเปน็นนกยางชอบไหมความจริงนกยางก็สวยดีผิวขาวไม่ได้ฟอกสบู่แต่รองท้าแป้งมันจะอบตัว ไม่ต้องอาบน้ำนมขาวตลอดการถ้าแม่ขนเก่าจะหลุดไปขนใหม่ออกมาก็ขาวชอบไหมถ้าชอบเอาแบบสุชาดาสมัยหลงความสวยถ้าต้องการมีสุขกระสาชิ้นห้ากาหนดสิบวันดาท่านผู้จับริษัทพูดมากไม่ได้แล้วเวลาหรือสามสิบนาทีก็หมดเวลาที่ต่างไว้ก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ุณผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี